คำคนึงซึ่งมันมักจะทําให้เราหลงที่จริงมันแทบทุกคาเลยที่ทําให้เราหลงได้ง่ายเพราะาภาษานี่มันทีแรกเราก็สมมุติเราใช้ภาษาเป็นเครื่องแทนสิ่งต่างๆ แต่ว่าใช้ไปใช้ไปเราก็เป็นที่ว่ามันมีจริงๆมันไม่ใช่แค่สมมติคำที่เป็นใช่คำว่าคำว่าของนี่แหละของบ้านของฉันรถของฉันร่างกายของฉันชีวิตของฉันแล้วคงนี่มันชวนให้เข้าใจว่า หลายทั้งปวมันเป็นของเราจริงๆเป็นของเราก็หมายความว่าเราก็ควบคุมบังคับมันได้แต่ว่าเอาหารกินมันก็เราควบ ค, คุมบังคับมันไม่ได้สักอย่างแม้แต่ร่างกายของเราหรืว่าของนี่มัน มันผูกโยงของเรามนผูกโยงเราไปกับสิ่งต่างๆมากมายซึ่งบางอย่างมันก็ไม่น่าจะเอาไม่น่าจะเป็นเจ้าของเช่นศัตรูของเราศัตรูของเราศัตรูนี่มันเป็นสิ่งซึ่งไม่น่าไม่น่ามีไม่ น, าน่น า, นานเอาเลยแต่เราก็ไป ไปถือว่าเขาเป็นของเราทั้งๆที่เขานี่หรือคนที่เป็นศัตรูนี่เขาอยากจะทําร้ายเราไม่คิดที่จะทําทตามคําสั่งของเราเราสั่งอยากเราพูดอยากก็ทำอยากแต่พอเราไปใช้คําว่าศัตรูของเรามันก็ช่วยให้เข้าใจว่าเป็นของของเราจริงๆ ว่าเป็นของเนี่ยเอาคข้จริงๆมีนอกจากเรานอกจากสิ่งต่างๆ่ามันจะไม่ใช่ของเราแล้วดูดูไปเรากลับจะกลายเป็นของสิ่งเหล่านั้นฟังดูวนะ่างอะอย่างรถของเราทองของเราเพ็รของเรานี่ เราคอจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราเราต้องหาที่เป็นของมันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเราทำไปทาไปแทนที่เราจะเป็นนายเหมือมันมันกลับมาเป็นนายเหมือเรา หรือเราไปเป็นทาสของมันแทนเราก็ตกอยู่ในอำนาจของมันเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงคือถ้ามันเป็นของเรานี่มันก็มืนกว่าเรานี่เป็นเป็นนายเหนือมันรของเราเราก็ทำนายกับมันก็ได้แต่ว่า บางทีเราก็เผลอไปเป็นของมันไปเป็นธาตุมันไปเป็นค่ารับใช้ของมันเอาแต่คุ้นคิดถึงมันคอยดูแลประกอบโงง ม, มันมันมีรอยขีดข่วนก็โอ้ยกุ่มใจไม่เป็นอันทาอะไร เราเป็นเราเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยเพราะชิงนเงินทองอันนี้เรา่วนส่วนยังไม่ได้เป็นเงินไม่ใช่ของเรานะเราต้องหาที่เป็นของเงินก็คอยเป็นทาสคอยดูแลรับใช้เงินท้ายก็ กุมหัวกุมใจเรามีหน้าที่ที่ต้องคอยเพิ่มปริมาเจำนวนเงนให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งนั้นก็ไม่งไม่ใช้มันมันต่างหากที่ใช้เรามันสั่งให้เราไปไปลงทุนในตลาดทุนเพื่อที่จะได้เพิ่มปริมาณของมันมันสั่งให้เราเอามันเป็นหนึ่เพื่อที่มันจะได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นใร้ลองพิจารณาดูว่า เราเป็นของมันหรื อ, อมันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันนม้กระทังเรื่องที่เราสร้างมากับมือนะหรือสร้างมาด้วยสร้างมาล้วนๆเช่ความคิดเนี่ยความคิดมนุษย์เราเนี่เก่งเรื่องความคิดมากไม่ว่าไม่มีสัตว์ไหนที่จะจะจะ พิเศษใปความมนุษย์ได้ในเรื่องของการคิดเราคิดได้มากมายซับซ้อนไปสุดาลและความคิดก็ทำให้มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์มากในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายมาดูให้ดีนี่ ความคิดนี้พอพอเราเรานึกเราคิดขึ้นมาได้มันเหมือนกับจะมีชีวิตของมันเองก็งคือว่ามันอยากจะโตซึ่งมีชีวิตที่มันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่ําให้มันอยู่อยู่รอดได้แล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยเมื่อเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ เรื่องนั้นแหละความคิดนั้นแหละมันก็จะพยายามรักษาตัวมันให้อยู่ไปได้เรื่อยๆก็คือพยายามกระตุ้นให้เราคิดต่อคิดต่อให้เราใสา่ใจให้เราไป้หมกมุ่นกับมันมันมันก็ไฟไฟถ้าเราทําไม่เติมเชื้อมันก็ดับก็ต้องเติมเชื้อไปเรื่อยๆเพือเออออ่อมันกองกองใหญ่ขึ้นจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอคิ้วเหมือนกัน เราคิดเรื่องอะไรได้ขึ้นมามันก็จะพยายามที่จะหลอกล่อให้เราคิดอยู่กับเรื่องนั้นพอาเราไม่คิดถ้าเราไปใส่ใจกับเรื่องอื่นมัน ก, มนก็มันก็หายไปกลับไปอย่างจริงๆเลยว่าการปรุงแต่งฟุ้งซ่านคืออะไรคือเป็นเป็นความพยายามของความคิดที่มันจะรักษาตัวมันให้ไปได้เรื่อยๆเพราะมันต้องการอาหาร อาหารก็คืออาหารก็คือนี่แหละวิญญาณอาหารแค่แค่อยากจะอยู่ไปได้เรื่อยๆทานั้นมันก็อยากจะโตขึ้นด้วยโตขึ้นด้วยมันก็พยายามรอให้เราคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันยาวเป็นสาย ถ้สิ่งมีชีวิต ม, ม, นะมันมีแล้ส่ยาเราคิดว่าต้องการแพทย์ผ่าความคิดเหมือนกันนั่นมันก็ต้องการแพทยต้องการแพทย์ผ่านเรคิดเรื่องอะไรได้แล้วก็อยากจะไปบอกไปพูดไปเปิดแพร่ให้คนนั้นคิดเหมือนเราโดยเอพก็ถ้าคิดเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่าโอ้ดีเหลือเกินก็อยากจะไปพูดอยากจะไปแพร่ ให้ใครได้รับรู้แ้าเกิดมีผลไม่เห็นด้วยขึ้นมาแยากจะหักล้างความคิดนั้นเราทำยังไงเราก็าต้องต่อสู้เราต่อสู้เพื่อรักษาวความคิดนั้นให้คงอยู่อยู่รอดไปได้หรือเคยแค่ไปได้ไกลาบางทีทุ่มเทียงกันเป็นรอกเป็นเวรเพื่อที่จะ รักษาหรือยืนอย่างความคิดนั้นเอาไวา้หรือเพื่อที่ให้ความคิดนั้นแพร่ไปได้เรื่อยๆบางนี้ถึงกับทําร้ายกันเกี่ยงเพราะความคิดใดความคิดหนึ่งงั้นึงบอกว่าเราความคิดใช่ของเราเราเป็นของความคิดเราเป็นบาที่เราก็เป็นค่ารับใช้มคอยปรุงแต่งคอยปรุงฟักจริ ง, รงๆกินกินไม่ได้นอะนไม่หลับ เราเคิดคิคเวลาจะหลับหลับไม่ได้เพราะความคิดมันไม่ยอมไม่ยอมจะให้หลับมันอยากจะให้เรามันอยากจะให้เราฟูซักหรือว่าเลี้ยงดูมันให้โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอมันโตขึ้นนะความที่มันโตขึ้นมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแลยวเราสั่งไม่ได้ละมันของสัที่สั่งเราสั่งให้เราพูดสั่งให้เราเผยแค่สั่งให้เราเถียงสั่งให้เรา ทะลอกกันสั่งให้เราคิดจนนอนไม่หลับเวลากินมันก็สั่งให้เราคิดนห้เราก็เป็นธาตความคิดแต่แล้วไม่ใช่เป็นไหนความคิดแล้วคนนี้นี่ถ้าเราไปเผลอ ก็ไปยึด ก, กับความคิดจนกระทั่งเป็นบ้าเป็นหลังไปกับมันอย่างนี้เราเป็นท่าความคิดกันมากความคิดใดความคิดหนึ่งก็ทําให้คนเราเป็นศัตรูกันได้ทั้งๆ ท, ที่มันก็ไม่นไาเป็นศัตรูกันอย่างเช่นพี่น้อง ก็แน่เพื่อนถูงคิดใมนเหมือนกันอาราทะลอะกันละอย่างตอนนี้ก็ความคิดมันเป็นใหญ่มากกว่าทีดเรื่องตักสินเอาหรือไม่เอานะเต็มด้วยคัดค้านนะในความทิ่ตัวนี้มันก็อยากจะเผยแท่ออกไปให้ไปไกลไอ้คนโน้นคนนี้คิด เหมือนกับเราแต่ถ้าคนนู้นคนนี้เราคิดต่างจากเรามันก็ต้องต่อสู้กันนะที่จริงมันก็ไม่น่าต่อสู้ถ้าเรารู้ทันความที่เราก็รู้ว่าเออไอ้ความคิดมันจะหลอกล่อเราให้ไปไปตายเพื่อมันไอ้ความคิดมันหลอกเราให้เราไปตายเพื่อมันแต่เรารู้เราก็ไม่ไปตายกับมันเราก็รู้มันก็เป็นแค่ความคิดหนึ่งเท่านั้นเอง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันก็น่าแปลกที่มันทีแรกเราก็ปรุงแต่งมันเราสร้างมันขึ้นมาแต่แล้วมันก็มาขึ้นมาเป็นนายเหมือเราขี่คอเราสั่งให้เราขวาหันซ้ายหันไปตามไปตามใจของมั น, มนเนี่ยเราเวลานี้เรา ไปเป็นทายความคิดมาอันนี้นนสิ่งที่อาการนีเราแลียอุปทานประสาป พ, พระเรียอุปทานความยึดติดเรายึดติดในความคิดตรงทั่งค ว, ค, ค, ค, ว ค, วความคิดมันมันครอบเราต่อยึดติดความคิดทังความคิดมันครอบเรา หรือว่าเรากลายเป็น่าตความคิดเป็นร่างทรงของความคิดนั้นอุปทานนี่มันก็เลยพอคนเรามามาถูกความคิดครอบแล้วนี่มันม น, น่ากลัวเพราะมันเห็นคนที่คิดต่างกันเป็นศัตรูได้ ท, ท, ท, ทั้งทั้งที่ก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ท, ทั้งทั้งที่อาจจะเป็นคนาศาสนาเดียวกันคนประเทศเดียวกัน มีอย่างค้ากับเพราะต่างศาสนเพราะศาสนาเพราะนักถือโพลันิกาย น, า น, านับถือโรสสารนับถือบุรุการ์ต่างกาันกเพราะถูกความที่มันครอบความคิดนี้นที่ห ม, มายถึงอุรุษการณ์ด้วยหมายถึงศาสนาด้วยหมายถึงทฤษฎีต่างๆด้วยทำไมคนเราป็นบ้าเป็นหลังเป็นกับมันได้ก็เพราะามันมีความรู้สึกอยากจะชนะ พอเราถูกความคิดครอบแล้วความคิดมันก็อยากจะไปครองครองใจคนอื่นอยากจะหักล้างความคิดอื่นมันมีความรู้สึกแพ้ชนะขึ้นมาแต่ทีจริงถ้าดูให้ลึกแล้วมันเบื้องหลังเบื้องลึกมันคือความสำคัญมั่นหมายในตัวตนคือมันมีตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องมากเลย ประทานนี่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามันมีความเป็นตัวเป็นตนเข้ามาความเป็นตัวเป็นตนนก็บอกว่าเนี่เป็นความผิดของกูให้คำว่าของนี่มันก็มาหลอกหลองไอ้ตัวเราเป็นท่ายของเราไปเพลอให้ ต, ตัวตนมันเข้ามา เราไปเผยึดเป็นตัวเป็นตนก็พอยความกับคำ ว, ว่าของนี่เนี่ความคิดของกูความคิดของกูความคิดของกูต้องเป็นใหญ่ต้องคิดเหมือนกูแล้พอตัวกูของกูเนี่ ย, ยมันก็ไปผูกติดกับคำ ว, ว่าของ ความคิดของกูแต่ไปประมาเราหลังห่าที่เป็นของความคิดและใ น, นความคิดของเราเราหางทีเป็นเป็นของความคิดความคิดนั่งสั่งเราอานี้เพราะเอาอุปทานแล้วบางทีมันทําให้เราทําในสิ่งซึ่งคิดเพี้ยนผิดกลผิกายขึ้มนมาได้เพราะลองสังเกต ด, ดูเวลาเรามีอุปทานในเรื่องอะไรเนี่ยบางทีมัน มันทำให้เราทําในสิ่งซึ่งตรงข้ามกับความคิดอย่ที่เคยเล่าเนี่ยคนที่ประท้วงคัดค้านการทําแท้งเพราะว่าเรื่องการทําแท้งมันไม่มดีเรียกตัวพวกเชิดชูชีวิตโปรไลฟ์ทำแท้งไปคัดคา้านไม่ให้มีการทําแท้ง ไปขวางกันคือทําแท้งกระทูหน้าคือทําแท้งแต่การทําแท้งน็ยังต่อไปก็กฎหมายก็ดียากอ่ามไม่ให้ทําแท้งไม่สาเร็จก็เลยโมโหบุกเข้าไปนิปนดนึงปนยิงหมอพยาบาลที่ทําแท้งตายนี่ทำเพื่อทําเพราะต้องการเชิดชูชีวิตเรียกร้องใหพวกเชิดชูชีวิต เสร็จแล้วก็กลายเป็นพวกฆ่าหรือทำลายชีวิตเสร็จเองอุปทานในศาสน์เป็นอย่างนี้คือมันทำให้เราเวี่ยงไปอีกทางหนึ่งได้มีคนหนึ่งนี่เขาเป็นเป็นคนนี่เป็นเกิดที่มึนนอกเหมือนกันเขาเป็นผู้ที่ชอบทาทาชอบดูแลสนามหญ้าฝรั่งนี้ก็จะมี เป็นแฟชั่นหรือเป็นเป็นเป็นค่านิยมในการทําทําสนามหญ้าให้สวยทําสนามหญ้าให้สวยให้เขียวในอเมริกาที่มัมีที่เยอะก็สนามหน้าบ้านยังไปทให้สวยก็เอาจริงว่าจ ก, การทําสวนมา ก, การทําสนามหญ้าให้เขียวต้นะ้นํา ใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดหญ้าแต่คนนี้เนี่ยมันก็เกิดมีตัวตุน่นตัวตุ่นอยู่ใต้ดินเนี่ยมันชอบขุดเป็นโพรงไปทําลังอยู่ข้างมันไปทําลังอยู่ข้างใต้ดินใต้สนามหญ้าแล้วเวลามันทํามันขุดรู ก็ทำให้ดินดนี่มันโป่งขึ้นมาพื้นนี่มันโป่งเป็นรอยนูนขึ้นมาเจ้าของบ้านเจ้าของสนามยาเห็นก็ไม่ชอบมันมันทำให้เสียหมดเลยก็ไม่ไรู้จะทำยังไงทำหลายๆวิธีที่จะจัดการไงตัวตุ่นพวกนี้จัดการไม่ได้สุดท้ายก็ทำยังไง ด้วยความที่อยากจะชนะตัวตุ่นมาด้วยความโงง แ, งแห็นโงงแห็นในสนามหญ้าที่ปวดรางเขาเขาก็เอาน้ํามันเนี่ยเทล่าลงไปในหลุมพวกเนี้ยหลุมที่เป็นรูตุ่นเนี่ยนะเทไปฉีดเข้าไปแล้วทำงานจุดไฟจุดไฟมันก็ไม่เผาตุ่นหมดแต่ว่ามันไม่ได้ไหมแค่ ไม่แค่ทำลายต้นอย่างเดียวมันก็นึกผภาพมันมันก็ไหม้เผาอย่างทั้งสนามหญ้าก็จับเดินไปด้วยมันไหม้จากทั้งได้าทั้งใต้ดินเมื่อทำเขาทำลายก็ต้องการรักษาสนามหญ้าไว้แต่เสร็จแล้วกลายเป็นทำลายใช่ไหนีเ่เป็นลักษณะ น, นี้ ที่ต้องการรักบิดารักษ า, าศาสนาแต่ว่าก็ทําในสิ่งทําวิธีการที่มันขัดกับหลักศ า, าสาศนาหักศาสนาคุกค่าถ้าคนที่รับถือาศาสนาอื่นยิ่งแม้กระทั่งประชาธิปไตยก็ตามอุปทานในประชาธิปไตยเห็นระบอบทักษิณเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยก็หาทาง ทางโค่นทำลายคพราะนี้ถ้าไม่ระวังนี่มันก็จะใช้วิธีอื่นด้วยที่มันเป็นปดอันตรายต่อประชาิบไตยเช่นไปเรียกร้องให้ทหารมาปฏิวัติซะจะได้เอาทักษิณออกไปหรือว่าไปเรียกร้องให้ในหลวงเข้ามามาพระราชทานนายกซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นการรบเลิกรัฐธรรมนูญหรือว่า เป็นการรัฐประหารอีกแบบที่ดูเหมือนนุ่มนวลแต่ว่ามันคือรัฐประหารนั่นแหละเ น, นี่ยพอคนเราไปมีอุปทานเ็นเรื่องใดแล้วมันเผลอมันลืมมันจะทำทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ตรงข้ามกับความที่ของตัวอันนี้เพราะอำนาจ ข, ของของอุปทานนี่องอย่างในเขมรเนี่ยมันมี สมัยหนึ่งเนี่ยรัฐบาลคำเนืนี่เ็เป็นเขาใกล้ชิดกับอเมริกันมากถากวาน้ทะเลาะภาษ า, ษ า, ษาภาษาการมันคือเป็นสินนักรับใช้คืนักรับใช้อเมริกันรัฐบาลหลอนมันพวกฝ่ายซ้ายรวมทั้งพวกชาินิยมก็ก็ไม่ชอบก็หาทางโค่นล้วหล่นนอนจะโค่นยังไงรล่อ น, อ น, อนออมัมีอเมริกันหนุนหลัง ทำยางไงแล้สุขต้องไปยืมมือจีนไปยืมมือเวียดนามรัเสเซียมะเพื่อที่จะโคนลม้มอเมริกาเพื่อคนลม้ลมลอมันขับไล่ขับขับไกกนไล่จักรวรรดิอเมริกันแต่จับไปเอาประเทศอื่นเข้ามาป็นชาตินิยมไม่ชอบที่เขาเป็นเครื่งต่างชาติ เสร็จแตัวเองก็กับกลายเป็นกลับกลายเป็นล่ากอบต่างชาติเข้ามาในประเทศของตัวนี่ชาตินิยมของค้ามแข่งในสุโขโลงเออในการไปเป็นแต่เป็นค่ารับใช้ของมหาอำนาจเพียนกันไม่ใช่เมริกัรเป็นกลายเป็นมหาอำนาจนี่ความน่าอุปทานความคิดที่มันพอความคิดที่อยากจะเอาชนะด้วยไดยอุมเพราอุดมการต่างกันเลยนี่ มันทําให้คนเราเผลอลืมตัวไดว้อันนี้มันก็โยงไปเรื่องกับเรื่องอัตตาเรื่องของการที่ต้องการชนะอุปทานในความคิดก็ไปยึดมั่นถือมาว่า น, นี่เป็นความคิดของกูความคิองกูต้ อ, ง, องต้องชนะ ก, ก็กลายเัวความคิดว่าฉันต้องเป็นผู้ชนะขึ้นมาแล้วคนเราพออยากจะชนะแล้วมันทำได้ทุกอย่าง แล้ก็ทั่งสิ่งที่ตรงข้างกับอุตมการขอ ง, งตัวตนี่เราต้องต้องต้องพยายามรู้เท่าทานความคิดรู้จับคุณและโทษของมันแล้วก็พยายามมีสติแล้วก็มีปัญญาได้การที่เป็นคนเราเป็นท่าความคิดมันเป็นง่ายมากเลยเพราะว่ามั น, ม, นมันอยู่ในหัวเรา คามคินี่มเห็นย่านไปเหมือนทรัพย์สมบัติแต่ว่าทันทีที่ไปรู้สึกไปสําคัญมันมันหมมันเป็นของเราแค่นั้นแหละเราก็เป็นของมันทันทีอยู่ไอ้คาว่าของนี่เป็นคำซึ่งซึ่งทําความกระจายดีมันมันหลอกเราได้ไอ้ที่ว่ามันเป็นของของเราบ้านของเราร่างกายของเรา ระวังเราจะไปเป็นของมันแทนพอเดือนน่าความยึดติถ้าไม่มีสติมันก็ถูกหลอกได้ด้วยคำสั้นๆเป็นคคำเดียวเท่า น, นั้นแลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าขใจถ้าเรามีสติมันก็จะทำให้เราทำให้เราทาให้เร า, เราไม่ไปเป็นบ้าเป็นหลังกับมันไม่ไปเป็นบ้าเป็นหลังความคิด เราก็เห็นว่ามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีสติมันก็ไม่เปิอไปเป็นไม่เปิดไปยึดเอ า, าเป็นเราเป็นของเราแต่วถ้ามีปัญญาเข้าไปกำกับไปเห็นว่ายพวกนันเป็นมั น, ม, นมันเป็นของชั่วครัง้งชั่วคราวแต่ไม่หช่เพราว่าเราไม่จริงใจกับความคิดนะก็ไม่ใช่จริงแต่ว่าเราต้องรู้ว่า เราจะเราจะเป็นนายมันหร้นมันจะเป็นหนาหยลราส่วนใหญ่ก็เพยให้ความคิดมาเป็นหนายเราเรากลายไปเป็นของความคิดไปซะความคิดเป็นเครื่องมือมันจะบไฟฉายเวลาเดินทางก็ต้องใช้ไฟฉายไม่ใช่ว่าจะวางไฟฉายเราก็ใช้ไฟฉายในการเดินในการสาธส่องแต่ถิงที่พักก็รู้จั ก, กวาง กินข้าห้องน้ําก็รู้จักวางไฟฉายจะกินข้าวก็วางไฟฉายไม่ให้ถือไฟฉายไปตลอดอ น, นี่หมายถึงคือรู้จักใช้ให้เป็นแต่ถ้าเรามีอุปทานก็หมายว่าเราถือไฟฉายไปตลอดไม่ยอมวางสักทีกินข้าวก็ถือเข้าห้องน้ําก็ถือเนี่ยตังอุปทานเป็นอย่างนั้นเราคิดเรื่องใดถ้ามีประทานในความคิดนั้นก็ก็แบกความคิดนั้นไปตลอดเวลา กินก็คิดนอนก็คิดเข้าห้องน้ําก็คิดวางไม่ได้อันนี้ก็เลยว่าความที่มันเป็นนายเราเราไม่ใช่เป็นนายนายความคที่ท่าเอาเป็นนายความที่เราก็วางมันได้รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่ถึงเวลาก็ใช้ถึงไม่ถึงเวลาก็ไม่ใช่วางใช้ให้มันเมื่อไฟฉาย เมื่อมันมืดก็เปิดไฟเมื่อมันสวา่างแล้วก็ปิดไฟปิดไฟชาแล้วก็วางใช่ไหมอย่าให้มันเป็นนายเราที่เราต้องแบ่มันไปทุกที่โดยวางไม่ได้ทำความเข้าใจความจี้งเรารู้ทางความขี้งเราให้ดีจะเปมีอุปท า, านกับมันจนกระทั่งเรากลายเป็นทาสของมันที่จะต้องต้องตายเพื่อมัน อันนั้นคงไม่ถูกแล้วก็คู่กันพอมควรก็ต้อง